สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นํารายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งเราก็จะมีรายการธรรมารับอรุณมารับอรุณเกี่ยวกับท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นประจําทุกเช้าค่ะจึงท่านที่ตื่นมารับฟังเป็นประจําก็คงจะรู้จักรายการเป็นอย่างดีแล้วล่ะคะ่ะช่วงนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์ภัยบูรอภิพุนโนท่านพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมบรกเล้นาตามพุทธ ว, ว, วจนะอของวัดป่าดอนหายโศกจึงตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตาที่จะมาเป็นองค์ปาถก ประรายการนะคะเราเออกอากาศพร้อมกันค่ ะ, ะทางคลื่นทั้ง AM และ FM จากกรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนต่างจังหวัดส่วนใหญ่คือเรามีทั้งหมด147สถานีน ะ, นะคะส่วนใหญ่ก็จะรับสานานัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคส่วนกลางนี้นะคะดังนั้นท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่อยู่ในส่วนของต่างจังหวัดก็อาจจะหมุนคลื่นไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดของท่านถ้าหากว่าเกิดมีการจัดรายการอื่นก็เปิดไปที่ AM ดีกีว่านะคะเพราะว่าจะรับโดยตรงได้จากกรุงเทพที่ AM 891ปดรกิโลเฮิร์ค่ะสำหรับ FM นั้นพี่น้องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็รับฟังกันได้ที่ FM 92.5 m h เมกะเฮิร์นะคะ เราพบกันวันนี้อยู่ในช่วงของวันหยุดมหาสงการนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14เมษายนค่ะเป็นวันแรม8ค่ำเดือน5นะคะวันนี้เราเริ่มวันมหาสงการกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่13เมษายนนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติค่ะสําหรับวันนี้ที่14เมษายนนั้นทางรัฐบาลก็กำหนดให้เป็น วันครอบครัวนะคะดังนั้นสําหรับในเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์เช่นนี้ซึ่งดิฉันจะได้มีโอกาสมีบุญนะคะที่จะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาธรรมะแล้วก็สอบถามกับท่านพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนะพระอาจารย์ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแทนท่านผู้ฟังค่ะก็เหมือนกับมาพูดตุยกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เรียกว่าสากัะฉานนั่นเองนะคะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมา กลาบนมัสการพระอาจารย์ของเรานะคะคือพระอาจารย์ไพบุตรอภิบุโนกันก่อนยินไหมค ะ, ะสําหรับวัดป่าดอนไหโศกนี่ก็มีพระเอกพระครูหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปปปกก์ประภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยเราอย่างกว้างขวางมีลูกศิษย์ลูกหามากบายนะคะนำท่านผู้ฟังมากลาบนมัสการพระอาจารย์ไพบุตรอภิบูโนพร้อมกันเลยค่ะกลาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพาน สช่ทเจ้าค่ะเช้า<ช><ช>วันนี้เป็นวันครอบครัวนะเจ้าค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเรายังอยู่ในช่วงของการหยุดยาววันมหาสงการกันอยู่นะเจ้าค่ะ<ช>ดังนั้นโยมอยากจะกราบขออนุญาตพระจเจาอภินิพนธ์เจ้าค่ะว่า ในช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่14และ15เมษายนนี้เนี่ยอยากจะขออากลับนมรักษาการนําเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุนะเจ้าคะการตอบแทนพระคุณผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องกับความหมายของครอบครัวที่ว่าลูกตอบคุณพ่อคุณแม่มหรือท่านบิดพรคุณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรง มีดํำรัสหรือว่าทรงได้เมตตาที่จะสั่งสอนให้แนวทางทางพระพุทธศาสนาเราไว้อย่างไรบ้างดีไหมเจ้าคะาได้ทีนี้ก็จะขอถามคุณตืนใจนิดนึงก่อนว่าผู้สูงอายุคําว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาเขาวัดกันยังไงหมายถึงในทางบ้านเมืองนะ่ะอ๋อเจ้าคะ่ะในทางบ้านเมืองยมคิดว่าผู้สูงอายุนี่ก็เขาอาจจะถือพวกที่60สิตามความเข้าใจเจ้าคะ่ะที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ถึงหกปีขึ้นไปก็ถือเป็นผู้สูงอายุ นะเจ้าค่ะอืเจ้าค่ะก็ก็ประมาณนี้ก็คือหมายพวกคุณคุณลุงคุณป้าหรือว่าคุณคุณยายคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่สมัยนี้แม้ว่าแม้ว่าอทางการแพทย์เราจะดีขึ้นคือหกสิบแล้วก็ยังแข็งแรงทั้งหญิงและชายนะเจ้าค่ะแต่งอะไรก็ตามเนี่ยตามหลักแล้วก็ก็คิดว่าเป็นผู้สูงอายุเจ้าค่ะหกสิบปีขึ้นไปเจ้าค่ะก็จะมีอยู่สองสามประเด็นที่จะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเจ้าค่ะอทีนี้จะพูดถึงเรื่องหน้าที่ก่อน ตนที่เราพูดถึงว่าความเป็นผู้สูงอายุในในครอบครัวหรือว่าหรือว่าบุคคลที่ดูแลกันในครอบครัวเนี่ยเขาจะจะทำหน้าที่ของการละกันยังไงนะเจ้าค่ะ<ก>ที่ว่าทรงสั่งสอนหรือว่ามีดังการเรี่กับเรือ่องยางไรบ้างนะเจ้าคะก็คือพูดถึงพ่อแม่สมมติว่าเราเราเป็นลกูก คือ <Okay. S 1> ในครอบครัวสมมติถ้ายัางมีผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าจะต้องมีปู่ย่าตายายมีคนที่ <Okay. S 1> เป็นพ่อเป็นแม่แล้วคนคนที่เป็นลูกถูกไหมปุ่ป้าน้าอาด้วยอเนี้ยนะนะว่าความความสัมพันธ์กันในครอบครัวเนี่ยในเรื่องของความเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยจะต้องมีกันอยู่เพราะในเรื่องของความเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยพระเจ้าก็ได้พูดถึงหน้าที่ในหน้ า, นาที่ของลูกต่อพ่อแม่สมมติลูกอายุมากแล้วสี่สบห้าสิบนะพ่อ <Okay. S 1> แม่อายุเจ็ดสิบปดสิบอย่างเงี้ย นะคุณที่เป็นลูกเนี่ยคุณต้องทําหน้าที่อะไรนะแล้วคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรนะคือเราเราพูดถึงการตอบแทนก่อนคือคนที่อยู่ในวัยกลางคนมีพ่อแม่อายุมากแล้วอยู่ในวัยสูงอายุนะที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ทําหน้าที่เนี่ยก็คือว่ารู้จักดารงวงศกกุลนะคืออันหน้าที่อันแรกก่อนนะพุทธเจ้าบอกว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงท่านตอบนะคือท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่านตอบ นั่นก็คือเวลาที่เราหาเงินไม่ได้ล้วก็ส่งเสียงบำรุงเลี้ยงดูท่านอย่างเงี้ยนะอค่ะอันนี้นะนเป็นหน้าที่ที่คน่ํำ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาตรงนี้ยมขออนุญาตกลับเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าเราเนี่ยจะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เราหรือว่าท่านผู้มีพระคุณที่อาจจะส่งเสียเลี้ยงดูเรานะเจ้าค่ะอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้หรือว่าจะเป็นลุงป้าน้าอาถ้าในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เราเกิดไม่ได้อยู่กับเราหรือว่าท่านอาจจะเสียชีวิตไปก่อนแม้แต่พอเรียนจบการศึกษาแล้วเนี่ยเจ้าค่ะหน้าที่เหล่านี้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงดํำรัสไว้นี่เริ่มต้นตั้งแต่เราจบการศึกษา เริ่มมีงานทําถูกไหมเจ้าคะพ่อโยมก็เป็นแบบอย่างนั้นคือคือจริงๆเริ่มมาตั้งแต่เรามีความสามารถคือหมายความว่าบางทีลูกอย่างเงี้ยอายุเจดแปดขวบใช่ไหมไปทํางานนิดหน่อยไปช่วยคนนั้นแล้วเขาก็เอาเงินมาให้อย่างเงี้ยสมมติเด็กใจแปดขวบเนี่ยไปช่วยลุงหรือไปช่วยเพื่อนบ้านยกเข้ายกของช่วยเก็บนั่นเก็บนี่เขาก็เอาเงินมาให้อย่างที่วัดป่าต่อไหนโศกเนี่ยนะก็จะมีลูกของชาวบ้านนี่ย ก็เรียกว่าสังครีใช่ไหมอายุแปดขวบสิบขวบอย่างเงี้ยเรียนปอห้าปอหกอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มาช่วยงานวัดนะมาช่วยงานวัดเป็นคอยประกันของให้พระคอยคนที่มาอบรมปฏิบัติธรรมก็ช่วยยกของให้อะไรต่างๆให้เีนี้พูดพู้หลีกเลนนี่เขาก็มีให้เงินบ้างใช่ไหมพวกนี้เขาทายังไงนะคือเราก็สั่งสอนก็ว่าเออถ้าคุณได้เงินมานะคุณต้องเอาไปให้พ่อแม่นะคือท่านเลี้ยงเรามาแล้วเนี่ยเราต้องเลี้ยงท่านตอบคุณมีรายได้ใช่ไหมคุณเอาไปให้ท่านอย่างนี้ ถึงจะถูกดูค่เะเด็กอายุแปดขวบสิบขวบมีรายได้นะถ้ามีถ้าตัวเองทําได้นะก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นดูค่ะอันนี้ตึงจะเป็นหน้าที่ที่ดีมากเลยเอแล้วอย่างเงินเดือนเดินแรกอย่างเงี้ยมีหลายๆคนพอเรียนจบมาเนี่ยเงินเดือนเดินแรกนี่ให้พ่อแม่หมดเลยนะ ต, ตัวเองไม่ใช้อ๋ออันนี้นสาธุาเลยเจ้าค่ะเป็นสิริมงคลกับตัวเองอย่างเงี้ยการเลี้ยงท่านตอบก็ดีแล้วเด็กมากคนพวกนี้นะเจ้าค่ะเท่าที่โยมสังเกต เจ้าค่ะก็มักจะเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานทั้งนั้นเลยบางค น, น, นแม้ว่าจะเริ่มจากาเด็กวัดนะเจ้าคะหรือว่าสังเครียอย่างที่ยมได้เห็นตอนไปปฏิบัตธิธรรมที่ผ่านมาเนี่ย ม, มีสองสองคนน่ารักมากเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวได้เรียบร้อยนะเจ้าคะตัวเล็กแต่ว่าเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ก้มอะไรวุ้ยเรียบร้อยทํางานรวดเร็วเจ้าค่ะนิมนต์ต่อเลยเจ้าค่ะทีนี้หน้าที่ที่สองนะคือการทํากิจของท่าน ทำนะกิจของท่านก็คือว่าพระแม่ใช้ให้ไปทำอะไรเราก็ทําให้อย่างนี้นะบางทีใช <c oughs> ้ไปซื้อโอล้ยงใช้ไปช่วยซื้อของในตลาดแต่เราก็ทําให้อย่างนี้ถ้าเราโตแล้วนะเรามีหน้าที่การงานของเราเราทําเองไม่ได้เราอาจจะหาจัดหาให้คนมาทําให <c oughs> นะ้คือในกรณีที่ว่าทําเองไม่ได้ก็จัดแจงให้ให้กระทํา <c oughs> ก็ได้นะอันนี้คือหน้าที่ที่2 อันนี้ก็รวมทั้งการช่วยเหลืองานบ้านงานเรือนกวาดปัดกวาดเช็ดถูล้างจงล้างจานด้วยนะเจ้าค่ะถูกต้องอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องจัดการคือถ้าเราทําเองไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่เราจัดให้กระทำนะคือจัด <c oughs> ให้คนมากระทําจ้างคนมาดูแลคนอะไรให้มันเรียบร้อยวางเงนเตอร์เจ้าค่ะหน้าที่ที่สามก็คือรู้จักดํารงวงสกุลในะรู้จักํารงวงศุลในมีรายละเอียดตรงที่ว่าเราจะทําไงเราใช้เราเป็นอริยะวงศ์นะคือตัวเราเนี่ยเป็นคนดี นะคือบางทีเนี่ยพ่อแม่อายุเก้าสิบแล้วนะคุณเดินใ จ, จลูกอายุหกสิบอย่างเงี้ยนะยังมาคอยด่าลูกว่าลูกเตือนลูกสอนลูกอยู่นะลูกอายุหกสิบนะตัวเองอายุเก้าสิบนะก็ก็มันอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์อันนี้ข้อสามข้อสี่เนี่ยต้องมาด้วยการดูตรงที่ว่าข้อสามข้อสี่คือรู้จักดำรงวงศ์กุล น, นะกับการรู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาท กนะารรู้จักดํารงวงศุล ก, กับการรู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาทเนี่ยมาด้วยกันมาด้วยกันยังไง <c ười> คือการดํารงวงสกุลเนี่ยคือเราเป็นอยู่ในอริยวงศ์อริยะวงศ์ในหมายความว่าคุณเป็นคนดีแล้วนะคุณทําตัวเป็นคนดีคุณรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะสมมุติคนนี้อายุ60เนี่ยเป็นพ่อแม่คนแล้วน ะ, ะเป็นพ่อแม่คนเนี่ยคุณจะต้องเลี้ยงดูคุณจะต้องเลี้ยงดูลูกของตัวเองให้ดีนะเลี้ยงดูลูกของตัวเองให้ดีถ้าคุณสามารถแสดงถึงความเป็นอริยะวง์ของตัวเองได้เนี่ย พ่อแม่จะไม่ห่วงคือปู่ย่าจะไม่ห่วงมัคคนคือพ่อแม่ของเราที่อายุ90ไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ห่วงเราแตที่อายุ60ลูกเราอายุ30อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอายุ60เราไม่สามารถเลี้ยงดูลูกของเราอายุ30ให้ดีได้เลยเนี่ยนะอุย้ยพ่อแม่อายุ90เขาจะงห่วงเราเพราะว่า อ, อะไรเพราะว่าเราไม่สามารถทําตัวเป็นอริยวงได้ไม่สามารถรักษาวงของเราได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราเนี่ยต้องการจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คุณเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูลูก คือหลานของท่านเนี่ยให้ดีด้วยต้องจัดการการงานต่างๆให้ดีภรรยาต้องเลี้ยงดูอย่างดีสามีต้องเลี้ยงอยู่อย่างดีคนรอบท่านต้องเลี้ยงดูอย่างดีคือถ้าเราจะพูดถึงไง่ายๆคือทิศหกของเราเนี่ยต้องดูแลให้ดีพอเราดูแลทิศหกของเราอย่างดีแล้วเนี่ยนะเราอยู่ในอริยวงศ์วงเนี่ยหมายถึงสกุลใช่ไหมเราอยู่<จ>ในตระกูลที่ดีเนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่ห่วงเรา เนี่ยก็จะไม่ห่วง<อ>เราก็แสดงว่าท่านอายุ90เนี่ยท่านก็จะปลดระวางตัวเองท่านล่ะก็จะไม่มาคอยมาจ้ำจี้จ้ำชัยด่าว่าคือบางคนจะคิดว่าลูกเนี่ยยังไงก็เป็นลูกอะ่ะแม่ก็<อ>ต้องมาคอยบอกคอยสอนแต่ถ้าแม่อายุ90้าสเนี่ยลูกอายุ60สิยังต้องมาคอยบอกคอยสอนนี่ไม่ได้เรื่องอนะลูกคนนี้ไม่ได้เรื่องอแล้วนะเพราะฉะนั้น<อ>มันจะต้องอยู่ที่ว่าเราสามารถทําตัวให้เหมาะสมไหมในหน้าที่ของเราถ้าเราทําได้นะพ่อแม่นี่ควรจะต้อง ปลดระวางแล้วคุณจะต้องไม่ต้องมากังวลท่านอายุ90้าแล้วกเกษียณแล้วเนี่ยให้อยู่สบายสบายซะอย่างนี้อืมเจ้าค่ะทีนี้ไอ้เรื่องของการปฏิบัติตนเป็นทายาทเนี่ยมันจะมาด้วยการตรงที่ว่าถ้าเรารู้จักเป็นคนเป็นทายาทเนี่ยนะเอ่อความมั่นใจของพ่อแม่เราเนี่ยจะมีความมั่นใจไม่ค่อยต้องไม่คอยมาจําจี้จาใจเรามากเกินไปถ้าเราอายุมากขึ้นไปแล้วนะเจ้ค่ ะ, ะในกรณีนี้เรายัางจะเคยเห็นพระเจ้าเนี่ยอเคยมอบมรดกไว้ให้ แตพระเจ้าเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบริษัทสมัยนั้นเกิดเป็นกษัตริย์ได้มอบมรดกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่ า, ากัลยาณวัตรข้อปฏิบัติอันดีให้กับกษัตริย์องค์ต่อๆไปก็คือว่าพอช่างตัดผมคือช่างกระบอกของตัวเองเนี่ยตัดผมแล้วก็เห็นผมขาวเนี่ยแจ้งให้ทราบแล้วก็เลยสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชบอกว่าอันนี้เป็นกัลยาณวัตรนะให้ลูกหลานเนี่ยปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป นะทีนี้บางคนไปเข้าใจว่าไอ้ทายาทสมบัติต่างๆที่ท่านให้ไว้เนี่ยนะเออคือข้าวของทรัพย์สินสมบัตินะจริงๆแล้วอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่า น, นั้นเองส่วนน้อยเท่า น, นั้นเองนที่บอกว่าให้เป็นคนปฏิบัติตนเป็นทายาตรักษาทรัพย์สมบัติเนี่ยคือทรัพย์สมบัติทางใจทรัพย์สมบัติที่เป็นเอ่อเป็นคุณธรรมที่ท่านมีอย่างสมมติคนเราอาจจะไม่ได้มีเงินมากนะแต่สมมุติเรามีที่ดินแปลงหนึ่งอย่างเงี้ยพ่อแม่ยกให้เราอย่างเงี้ยคุณรู้รอว่ า, วาพ่อแม่คุณหาไม่ได้ยัง ดันใช้ความเก็บหอมรอมลิฟต์ณนะความอดทนความประหยัดมั่งทายัดณนะความเป็นคนสันโดษมากน้อยขนาดไหนถึงสะสมเงินทองมาตรงนี้ได้ถ้าคุณไม่รู้จักรักษาตรงนี้คือรูปบางคนเนี่ยคุณเดชใจเข า, ขาไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าคือเตามาเนี่ยพ่อแม่ก็ทำมาให้เสร็จหมดรด้บ้างแล้วคือบางคนไม่ได้รู้จักถึงความลําบากเลยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องรักษายังไงความอดทนอยู่ที่ไหนความขยันขันแข็งอยู่ที่ไหน ค, คือเกิดมาสบายบางคนแบบนี้ ก็จะไม่ได้รับมรดกไม่รับทายาทตรงนี้เจ้าค่ะอือดูมากลูกประเภทนี้เจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่จะห่วงอยู่ใช่เพราะฉะนั้นต่อให้เขาอายุหกสิบแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องคอยสอนเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตนเป็นทายาทที่ดีแต่ทางนนั้ที่ว่ามีเงินนะหรือว่าไม่สามารถดํารงวงศ์สกุลของตัวเองได้แต่ทางนนั้ที่มีลูกนะเพราะว่ามันเป็นที่คุณธรรมไงแล้วก็อย่างบางบางทีพ่อแม่ทิ้งหว่าป่าไว้ให้อย่างเงี้ยตัดทิ้งหมด ที่ดินทิ้งไว้ให้เงี้ยขายทิ้งหมดมันก็ไม่ได้ปฏิบัติ ต, ตนเป็นทายาทที่ดีนะหรือว่าอะไรที่พ่อแม่สร้างเอาไว้นะทุบทิ้งเปลี่ยนใหม่ทาสร้างเป็นสมัยใหม่ไปคุณไม่เคยเห็นมรดกตรงนี้ที่ท่านทำไว้ไงไม่เห็นคุณค่าของเก่าที่พ่อแม่สร้างไว้นะเจ้าค่ะใช่มีกล่องไมใ้ใบหนึ่งคุณเดินใจคืออาตมาเนี่ยคือจะขออนุญาตเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังนิดนึงได้เจ้าคนะ่ะกลับนิมนต์เลยเจ้าค่ะอสมัยขม่าของอาตมานะคือพ่อแม่่คะ ปู่ย่าของอาตมาตายายเนี่ยมาจากเมืองจีนนะจามาจากเมืองจีนพอท่านมาถึงเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยไปอยู่แถวตลาดน้อยในกรุงเทพ้ก็ให้ช่างบ้านช่างไม้เนี่ยช่างไม้ก็มาจากเมืองจีนเหมือนกันมาสร้างบ้านให้หลังหนึ่งแล้วก็พอสร้างบ้านไม้ต่อเติมให้เนี่ยเราก็ให้ทํากล่องไม้ใบหนึ่งเป็นกล่องไม้สักนะทําตั้งแต่พศสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้าทำมาตอนนั้นแล้วก็จนมาอยู่ถึงบัดนี้อาตมาก็เอากล่องไม้ใบเนี่ย มาเก็บจดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งมาเนี่ยเป็นกล่องไม้ทำอย่างนี้เลยมีกุญแจล็อกเป็นของสมัยโบราณเนี่ยมีช่องเก็บคุณตาล้วบอกไปได้ไงเป็นช่องเก็บของลับอยู่ข้างล่างไม่เป็นช่องเก็บของลับอยู่ข้างล่างแล้วก็เราก็เก็บจดหมายที่ท่านฟังส่งมาเอาไว้คอยมาเปิดดูว่าต้องมีคำถามอะไรตอบบ้างนี่นะคือกล่องไม้กล่องไม้ใบนี้ย รมามาเข้าใจว่าอ๋อการปฏิบัติตนเป็นตายาเนี่ยมันมีแงม่มุมตรงนี้ว่าตอนสมัยเราเด็กๆเ่ตอนสมัยอาดมาอายุเขวบยังไม่ถึง10ขวบเนี่ยเราก็เห็นกล่องไม้นี้อยู่ตั้งแต่เรายังเด็กๆคืออ่าอ่ า, อาย่าของเราเนี่ยคืออมาม่าเนี่ยนะเอากล่องไม้ไปนี้เก็บหนังสือสวดมนต์ ที่ท่านไว้<ม>เก็บหนังสือสวดมนต์ไว้สำหรับสวดมนต์อยู่เรื่อยๆแล่เราเห็นกล่องนี้ตั้งแต่เราเกิดแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้คุณค่าของกล่องใบนี้และกล่องใบนี้ถูกเก็บอยู่บนบ้านอยู่ใต้ถุนหลังคาและซึ่งหลังคามันก็รั่วทําทให้น้ํามันหยดลงไปในบนกล่องใบนี้แล้วทําใหไ้ไม้มันเริ่มปูเริ่มอะไรทําให้มันไม่ได้ส่งเสียส่งไปนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เห็นคุ ณ, <ม> ค, ณค่าคทําให้เราเก็บไม่ดี นะพอตอนหลังนี่มารู้ประวัติของกล่องใบนี้เนี่ยก็เลยเอามาทําเขาอย่างดีเอามาใส่ของที่มันมีคุณค่าอย่างเงี้ยนะพอเรารู้คุณค่าเราก็ทําอย่างดีอย่างเงี้ยนะอันนี้ทําให้เรามองเห็นแง่มุมว่าโอ้ของโบราณของที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยเราต้องมาเห็นคุณค่านะ้ําไม้เก่าๆโต๊ะเก่าๆเนี่ยบางคนดูแลไม่ดีปล่อยให้มันน้ํามันกัดหรือว่าไม่ดูแลอย่างดีน่ยมันก็เสียคุณค่าของเขานะ เช่นเดียวกับคุณธรรมหรือว่าอะไรต่างๆที่พ่อแม่เราทิ้งไว้ให้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สมบัติไม่ใช่เงินทองที่เราต้องเห็นเราต้องรู้และเราต้องรักษาตรงนั้นเอาไว้ถึงจะเรียกว่ า, าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นทายาทแล้วก็รู้จักนํารงมงสกุลแล้วก็ข้อที่ห้านะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อท่านทํากาละล่วงรับไปแล้วคือตายไปแล้วเนี่ยนะเราจะต้องทําทักษิณาทานอุทิศให้ท่านคือทําบุญอุทิศให้ การทําทักษีนาทานเนี่ยหมายความว่าคุณทําบุญทําบุญสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นด้วยการให้ทานก็ได้ด้วยการรักษาศีลพระเจริญภาวนาก็ได้แล้วก็อุทิศให้ท่า น, นอุทิศให้กับบรรดาปิดา น, นี้เป็นสิ่งที่สมควรทําำการทําบุญนี้ก็ทําบุญให้กับเนื้อนาบุญพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างสงสารวกของพระมุ ย, ยมภาคเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญนะสมัครรับบุญที่เกิดจากการทําทักษีนาทานเนี่ยจะเป็นการดี สมมติคุณทําบุญให้ประสงค์แต่มาแล้วก็เอาบุญที่คุณได้เนี่ยจากการที่คุณทําเนี่ยนะอุทิศให้มารดาบิดาวันนี้คือใน<า>กรณี<า>ที่มารดาบิดาล่วงลับไปแล้วน ะ, ะทีนี้ว่าถ้าท่านยังอยู่ท่านยังอยู่เนี่ยคุณต้องทําอีกสี่หน้าที่นี้เลยเราต้องเลี้ยงท่านตอบนะเราต้องดูในกิจการงานของท่านเราต้องรู้จักดํารงวงสกูลต้องรู้จักปฏิบัติตนเป็นญายาทถ้าพ่อแม่เห็นเราเนี่ยมีสี่อย่างนี้เนี่ยนะเลี้ยงท่านตอบ นะทำกิจการงานของท่านดำรงมงกุกูรบิบัตตนเป็นทายาทเนี่ยท่านเหล่านั้นจะสบายใจท่านเหล่านั้นจะสบายใจนะสบายใจแล้ว ก, ก็ก็อยู่อย่างมีสุขอ่ะเป็นคนแก่ก็เป็นคนแก่ที่สบายใจเจ้าค่ะเหมือนกับท่านเรียกว่าหมดห่วงก็คือเราเรียนจบทำงานดีประพฤติตนดีอยู่ในศีลธรรมอย่างที่ท่านทรงสั่งสอนเออหรือท่านได้เคยสั่งสอนไว้นะเจ้าคะใช่ใชแล้วก็ ปฏิบัติตัวดีอันนี้ท่านก็เหมือนกับว่าสบายใจแล้วนอนตายตาหลับแล้วดังนั้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านที่ดำรงอยู่นั้นถ้าเรายังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ดำรงวงศุลแล้วก็รักษาทุกสิ่งทุกอย่างหรืออนุรักษ์ไว้ในเห็นคุณค่าทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินทองอย่างเดียวอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวมานะเจ้าคะาอันนี้ก็ยมคิดว่าเป็นทางที่ดีที่สุด ที่ลูกหลานห ร, หรือว่าบรรดาลูกๆทั้งหลายเนี่ยจะตอบแทนพระคุณเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็ทาให้ท่านชื่นใจด้วยนะเจ้าคะ่ะใช่คือว่าอันนี้เป็นเป็นการตอบแทนในระดับที่เสมอกันนะ<า>คือหมายความว่าพ่อแม่เนี่ยให้เลือดเนื้อเรา สำไมให้เลือดเนื้อเรามาให้การศึกษาให้ชีวิตให้อาหารทุกอย่างเนี่ยถ้าเราตอบแทนด้วยกันว่าเออท่านเลี้ยงเราเราเลี้ยงท่านตอบท่านเราทำกิจการงานของท่านเราจะเรารงมรดกสูงเราปฏิบัติต้นเป็นทายาทอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ด้วยการเสมอกันเท่านั้นแต่ว่าการตอบแทนด้วยเลือดเนื้อที่ท่านให้เรามาเนี่ยนะมันตอบแทนด้วยระดับนี้เนี่ยกิเรียกว่ายัางไม่ย่งไม่พอ <Okay. S 1> นะคือท่านสบายใจอยู่ใช่แต่ว่าการตอบแทนเนี่ยถ้าพูดถึงการตอบแทนท่านนี้ยังไม่พอ นะนนี้พูดถึงการปฏิบัติเฉยๆที่เราจะต้องปฏิบัติกับท่านอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะนนี้คือถ้าเราปฏิบัติกับท่านอย่างนี้แล้วชื่อว่าปฏิบัติดีลนะรักษาหน้าที่ของเราละอย่างน้อยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยท่านจะไม่เป็นภัยกับเรานะจะไม่คอยมาโทดา่าโทว่าโทจิกโทตามไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ <c oughs> ท่านก็จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่ครบ ร, ร, เรัเรารักเราใช่ไหมเรารักษาทิศนั้นเรียบร้ายละทีนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าเราจะตอบแทนท่านในะการตอบแทนนะ อันที่พูดไปแตะกี้เนี่ยคือการปฏิบัติเฉยๆนะเป็นการหน้าที่ที่เราต้องทํำกับท่านทีนี้ถ้าคุณจะตอบแทนมารดาบิดาเนี่ยต้องเป็นอีกระดับหนึ่งละคือว่า พ, พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไปอย่างนี้ว่าบุญคุณของมารดาบิดาเนี่ยไม่ใช่ตอบแทนกันได้ง่ายๆนะคือต่อให้เอาท่านทั้งหลายเนี่ยมายกไว้บนบาเราในะนี้เราพูดถึงบุคคลที่เลี้ยงเรามาด้วยน ะ, ะแต่สมมติเราเป็นเด็กๆเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ที่คลอด บกเราออกมานะแต่เป็นคอยเลี้ยงดูเราออกมาให้นมให้อาหารเลี้ยงเราให้โตขึ้นมาได้เนี่ยพวกนี้มีบุญคุณกับเรามากเหมือนกัน<จ>นะ<จ>คือ<ะ>ถ้าเอาบุคคลท่านเหล่านั้นเนี่ยมาแบกไว้นะพ่อไว้บนบาทซ้ายแม่ไว้บนบาทขวาแล้วก็ให้อุจารปัสสาวะใสอาบน้ําะลรบนบานี่ให้เสร็จสรรพเลยป้อนข้าวป้อนน้ํานี่ด้วยและเป็นเวลาร0อยปีเนี่ยก็ชื่อว่ายังไม่สามารถทดแทนบุญคุณท่านได้หมดนะแต่วิธีที่จะสามารถทดแทนบุญคุณได้เนี่ยมีอยู่นะคือก็คือการที่ ท่านไม่มีศีลนะให้ท่านมามีศีลถ้าท่านไม่รู้จากการที่มีศรัทธาให้ท่านมามีศรัทธาแตนะ่ถ้าท่านไม่มีจาคักการให้การบริจาคให้ดูจากท่านมามีจาค้กการให้การบริจาคถ้าท่านไม่มีปัญญาในการที่จะเห็นการเกิดดับปล่อยวางพวกนี้เราทำด้วยวิธีการไหนที่ทำให้ท่านเห็นเนี่ยอันนี้เป็นการตอบแทนที่ได้นะเรยกว่าเสมอกันบางันเถอะ เจ้าค่ะ อ, อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะคือบางคนอาจจะเห็นว่าเออเราแม้ซื้อกับข้าวไม้ท่านแล้วทำกิจการงานให้แล้วเลี้ยงดูทำหน้าที่ทำตัวเราดีแล้วคิดว่าตอบแทนบุญคุณแล้วอ่าอ่อไม่ใช่ ที่ทําเนี่ยคือหน้าที่เราเฉยๆต้องทําถ้าคุณไม่ทําหน้าที่นี้คุณไม่สามารถรักษาครอบครัวคุณได้ครอบครัวคุณจะแตกครอบครัวคุณจะมีแตด่า ก, กันว่ากันเถียงกันนะไม่ได้เลยคุณ<จ><จ>ต้องท<จ>ํ<ข>าหน้าที่ตรงนี้แล้ควครอบครัวคุณจะรักษาได้ละอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขละทีนี้ถ้าคุณต้องการตอบแทนนี่ต้องทําอย่างที่อาตมาพูดนี่นคือให้ท่านมีศีลนะให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีใาค่ายท่านมีปัญญาถึงจะเรียกว่าตอบแทนได้เสมอกันนะ ทำไม เ, เราก็เคยมังคิดดูคุณเตือนใจคิดดูว่าเอา๊ะทำไมพระเจ้าถึงให้ทาอย่างนีเ้เพราะว่าถ้าเราไม่ว่าเราจะตอบแทนท่านยังไงมันไม่มีทางได้หมดเนี่ยคือรถที่เรามีณปัจจุบันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีในกระเป๋าอาหารที่เราเคยกินอิ่มอิ่มเนี่ยเพราะมีมารดาบิดาให้มานะมบให้ชีวิตนี้มา ถ้าเราไม่มีชีวิตนี้เนี่ยเราจะไม่มีความสุขที่เราได้รับอยู่ตอนนี้เลยคุณ จ, จะไม่มไปสามารถเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดบางธรรมะหรือว่าเกิดมาเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกมีความสุขได้ ไ, ดไม่มีทาง<จ>ฉะนั้นต่อให้คุณให้ทุกอย่างที่คุณมีในโลกกับท่านเนี่ยก็ยังไม่หมดเลยเขาเรียกว่ายังยังไม่พอด้วยซ้ำ<จ>ครูเจ้าเคยเปรียบเที่ยวอย่างหนึ่งคือต่อให้สถาปนาบนารดาบิดาให้เป็นกษัตริย์พระเจ้าจักรพรรด นะที่ครองทั่วโลกเลยเนี่ยนะครองดินแดนตรอดทวีปทั้งสเนี่ยตรอดมหาสมุทรทั้งสีด้านเนี่ยก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่พออืเพราะให้ชีวิตนะให้ชีวิตนี้มันโหมันทุกอย่างเลยนะคุณต่ดใ จ, จเพราะฉะนั้นจะตอบแทนได้เนี่ยต้องระดับเหนือขึ้นไปต้องเป็นระดับนิรามิตคือเป็นของที่ละ เ, เอียดกว่าคือของที่เป็นอามิตเนี่ยตอบแทนกันไม่ได้ละเพราะเป็นทั้งชีวิตใช่ไหมเราจึงต้องตอบแทนด้วยระบบนิรามิต ของที่ละเอียดกว่านั่นคือคุณธรรมต่างๆนะมีจาระมีศรัทธามีศีลมีปัญญาสีอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์ได้สากฉามมาถึงตรงนี้นะเจ้าค่ะยมคิดว่า พระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนนี้นะเจ้าคะพระองค์นอกจากทรงตรัสสอนแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เราด้วยเพราะเราทราบว่าท่านได้ เสด็จขึ้นไปนะเจ้าคะได้ไปแสดงธรรมโปรดพระมาดาพระบิดาของพระองค์ท่านด้วยถูกไหมเจ้าคะอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับฟังกันมาตรงนี้ อ, อยากขอให้ความเมตตาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนขยายความให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน อ, อีกสักนิดนึงเถอะเจ้<ข>าค่ะเกี่ยวกับพระองค์ท่านเจ้าค่ะนิดหนึ่ค <ขา S 2> ่ะตรงนี้ก็จะพูดเป็นข้อมูลให้ทราบมาพุะรุจ้าเนี่ยเคยกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์รู้สึกปร ะ, ประมาณพรรษาที่ก่อนสิบเนี่ยแหละ ก่อนปัญษาที่สิสักเล็กน้อยไปถึงแล้วก็ได้ไปสอ น, นไปหลายเที่ยวอยู่เที่ยวแรกนี่ก็ไปที่ประมาณปัรษาก่อบสิบไปเที่ยวที่2เที่ยวที่3อยู่นําไปแล้วก็ได้ไปสอนธรรมะให้บิดาของพระองค์เนี่ยพระราชบิดาของพระองค์เนี่ยได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมได้นับถือพระพุะทธธรมพระสงค์มีการให้ทานรักษาศีลส่วนเรื่องของมารดาเนี่ย ในตามตำนานนะที่เป็นอัตถคถาจารย์เล่ามาก็คือว่ า, าไปแสดงธรรมบนสวรรค์แต่จริงๆโดยพุทธวจนะเนี่ยไม่ได้ตราตรายทางพุทธวจนะก็ได้ตรัสไว้ถึงการที่กลับไปเมืองกบิลพัทที่เป็นเมืองบิดาท่านั้นเองคือในเรื่องบางอย่างเราเราไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยด้วยความสามารถพิเศษใช่ไหมสำหรับเรื่องหลักฐานตามธรรราเราก็พูดตามตำนานที่มีในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็พบว่าท่านพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อ เมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยก็ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าเออพระเจ้าเนี่ยก็ทําเป็นตัวอย่างนนในการที่กลับไปสอนบิดาให้รู้จักธรรมะนะไม่ใช่แค่สอนบิดาเท่านั้นเองนะญาติพี่น้องทั้งหมดเลยนะสอนให้รู้จักว่า อ, อะไรเป็นอะไรในเรื่องธรรมะด้วยเจ้าค่ะและธรรมะตรงนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาอยูคิ ด, ดว่าสิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติตาม องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือเพราะพระองค์ท่านได้ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนะเจ้าคะ<ช>ที่ <พอ S 2> จะทําให้พวกเรานั้นเนี่ยท่านได้ทรงเมตตาที่จะชี้ทางเดินละว่าทํำยังไงเราจรึงจะไปถึงจุดที่เราจะสิ้นทุกหมดทุกจริงๆ<ช>เรียกว่าถึงนิพพานถูกไหมเจ้าคะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านถึงได้ทรงสั่งสอนแล้วก็มุ่งที่จะให้บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นนะได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาด้วยการชี้นําให้บิดามารดาไปใน ทางที่ถูกที่ควรคือจะได้ไม่ต้องมามาวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้ถูกไหมเจ้าคะเพราะว่าไอ้คุณธรรมเนี่ยคือศีลจาระคาสัทธาปัญญาเนี่ยนะเป็นคุณธรรม4อย่างที่จะให้มีความสุขในโลกหน้านะเพราะ<ช>ว่ามารดาบิดานี่ใกล้แล้วนะใกล้ถึงบรนปลายชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีที่พึ่งในสัมปะรยาภพคือพบต่อไป อันนี้เราคินจะต้องให้ท่านอยู่ตั้งอยู่ในทรรเหล่านี้ถึงจะถูกทีกนี้มันมีประเด็นนิดหนึ่งก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้ก็คือว่าบางคนไปเข้าใจว่าเอ๊ะมาได้บิดาพ่อแม่ฉันไม่เห็นดีเลยพ่อแม่ฉันนี่ไม่ได้เป็นคนดีนะฉันต้องตอบแทนไหมนะหรือว่าฉันต้องทำหน้าที่ของบรานดาบิดากับท่านไหมอย่างนี้จุกค่ะอันนั้ก็ต้องบอกว่าอะไรงไงเราก็ต้องทา นะต่อให้ท่านไม่ดียังไงท่านไม่มีศีลยิ่งท่านไม่มีศีลท่พูดจาไม่ดีท่านเป็นคนโกรธง่ายเรายิ่งต้องให้ท่านมีศีลยิ่งต้องให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีใจคาให้ท่านมีปัญญาเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ความโกรธหรือความเดือดร้อนที่ท่านมีเนี่ยมันจะทําให้ท่านเป็นลําบากในอนาคตจุกค่ะเรายิ่งต้องช่วยท่านตรงนี้นะหรือว่าถ้าท่านไปเด็เลี้ยงดูเรามานะมีปัญหาในครอบครัวกันยิงไงเราก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะเพราะเมื่อเราทําหน้าที่ของเราแล้วเนี่ยปัญหาในครอบครัวจะลดลงจุกค่ะ น่าจะได้เวลาที่รายการของเราหมดลงตรงนี้นะเจ้าคะแต่เราจะสนทนาต่อในวันพรุ่งนี้เช้าซึ่งเราจะพบกันวันอาทิตย์แล้วก็จะคุยกันเรื่องนี้ต่อนะเจ้าคะคิดว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านจำนวนมากทีเดียวยมหวังใจว่าคงจะมีะน้องๆแล้วก็หลายๆท่านที่ว่า อ, อ, อาจจะได้ข้อคิดจากรายการธรมรมาราปุลของเราในเช้าวนันนี้ที่พระอาจารย์ภบุตรอภิปุนโนพระอาจารย์ของเราได้สักขามานะคะเพราะว่าบางทีอาจจะ เข้าใจผิดในเรื่องของการที่จะตอบแทนพระคุณของบิดามานดานะั้นเนี่ยเพียงแต่ส่งเสียไปอ่าส่งเงินไปตัวเองก็ไม่ได้ไปให้ท่านชื่นใจอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ดีไหมเจ้าคะได้ได้ สาธุเจ้าค่ะสําหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบน้มัสการกราบขอพระคุณอย่างสูงแล้วก็กราบน้มัสการลาพระอาจารย์ภัยบูรอภิปโนอ่าพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเล้นตามอ่าพุทธโอษของวัดป่าดอนหโศกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดจิตรพะโสอ่าท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วเราอ่าพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะกราบน้ำมัสการขอพระคุณและกราบน้มัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าข่เรื่อบอลสาธุจ เราา